ข้อห้ามสองเรื่องข้อบัญญัติข้อบัญญั ต, อญญติอื่นอีกสองเรื่องภิกษุโง่เขลาการสำเร็จในการรัปกการต้องอาบัิในฤดูหนาวสังฆอุโบสถสำเร็จแก่สงการปิดเครื่องปกปิดสิ่งปิดบังสิ่งเปิดเผยการให้ถือเสนาสนะภิกษุอาพาธการงดปาฏิโมก ปริวาตมานัตปริวาสิกะพิษุปอาบัติที่ต้องภายในอาบัติที่ต้องภายในสีมาการต้องอาบัติด้วยอาการสามการต้องอาบัติอื่นอีกสาการออกจากอาบัตสาการออกจากอาบัติอื่นอีกสามอโมระหาวิในสองอย่างตัดชนียกรรม นิยะสะกรรมปัภาชนียกรรมปฏิสารณียกรรมอกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นอาบัติไม่ทำคืนอาบัติไม่สละทิฏฐิการตั้งใจมั่นลงอกเขปนียกรรมผู้มีศีลวิบัติในอธิศีลผู้ขนองการประพฤติไม่สมควรการทำลายอาชีววิบัตต้องอาบัต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 ไม่พึงให้นิสัยไม่พึงใช้สัมมาเนนอุปถาคอุโบสถสามหมวดปรวรณาสามหมวดผู้ไปเกิดในอบายอากุศลกุศลทุจริตสุจริตติกะโพชนะอสัตถธรรมสมมุติฐานวางเท้าสิ่งของถูเท้าหัวข้อตามที่กล่าวมานี้ จัดเข้าในหมวดสาม